เรื่องพระพหุบุติกาเทรีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารัพระพหุบุติกาเทรีได้ยินว่าตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีนามีบุตรชายเจ็ดคนธิดาเจ็ดคนบุตรละทิดาเจริญวัยแล้วได้กรองเรือนถึงความสุขตามธรรมดาของตนของตนต่อมาบิดาตาย มหาอุบาสิกาพรหุบปุตติกาซึ่งแปลว่านางผู้มีบุตรมากเมื่อสามีตายยังไม่ได้แบ่งทรัพย์ให้บุตรทั้งหลายต่อมาบุตรทั้งหลายขอให้แบ่งทรัพย์บ่อยๆนางคิดว่าแบ่งทรัพย์แล้วบุตรคงจัดบำรุงเราจึงแบ่งทรัพย์ครั้งนั้นโดยการล่วงไปสองถึงสามวันภริยาของบุตรคนใหญ่กล่าวกับแม่ผัวว่าคุณแม่ของเรามาเรือนเรานี้เท่านั้น เหมือนกับว่าแบ่งทรัพย์ไว้ให้มากกว่าคนอื่นๆบุตรที่เหลือคนอื่นๆก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่ธิดาคนใหญ่จนถึงคนเล็กก็กล่าวดุจเดียวกันนางคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการอยู่กับบุตรธิดารอจากบวชลบไปสู่สำนักภิกษุณีขอบรรพชาแล้วอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าพะหุบุติกาเทรีได้ชื่อว่าพหุบุติกาเพราะเหตุที่นางเป็นผู้มีบุตรมาก นางคิดว่าตนบวชเมื่อแก่ไม่ควรเป็นคนประมาทจึงทำวัดปฏิบัติแก่ภิกษุณีทั้งหลายคิดว่าจะทาสมณะธรรมตลอดคืนยันรุ่งจึงเอามือจับเสาต้นหนึ่งที่ภายใต้ประสาทตเดินเวียนเสานั้นทาสมณะธรรมแม้เมื่อเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้ด้วยคิดว่าศีรษะของเราอาจพึงกระทบต้นไม้หรือที่ไหนไหนในที่มืดดังนี้แล้ว นางเดินวนเวียนต้นไม้นั้นจเจริญสมณะธรรมนึกถึงธรรมะด้วยคิดว่าจะทำตามธรรมะที่พระศาสดาทรงแสดงลำดับนั้นพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุดีทรงแผ่พระราชมีไปดุจประทับนั่งตรงหน้าตรัสว่าพหุพุติกาความเป็นอยู่แม้เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงประเสริฐกว่าความเป็นอยู่หนึ่งร้อยปี ของผู้ไม่นึกถึงไม่เห็นธรรมที่เราแสดงรัสพระคถานี้ว่าก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในการจบพ ร, ระคถาพระพหุปุตติกาเทรีบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายอย่างนี้แล